พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็สอนสอนให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องจิตใจของตัวเองนี่แหละสาคัญนะเวลาจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องปฏิบัติที่จิตใจาศาสนาก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้า เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติให้คำสอนนะเกิดผลแก่จิตใจไม่ว่าจะสอนเรื่องอะไรพระองค์ก็มีเป้าหมายให้จิตใจเนี่ยมีสติขึ้นมาสักก่อนเพราะนั้นทุกคนเนี่ยก็รู้รู้ ว่าจำเป็นจะต้องมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติเท่านั้นยังไม่พอนะถ้าไปอ่านให้ดีนะไอเรื่องสติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นมากเลยนะมีพระสูตรหนึ่งท่านเปรียบเทียบว่าให้มีสติเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งกำลังจะเดินผ่าน บริเวณนั้นมีสาวงามทุกคนก็อยากดูสาวงามมากบุรุษคนนั้นก็อยากจะดูสาวงามเหมือนกันแต่ว่ามีข้อตกลงมีเงื่อนไขว่าให้เขาถือหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มหม้อแล้วก็ให้เขาเดินไปให้ผ่านสาวงาม อนุญาตให้เขาดูสาวงามได้แต่ว่าจะมีเพชฌฆาตถือดาบเงื้อดาบเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าน้ำหกเมื่อไหร่เพชฌฆาตจะฟันคอทันทีทีนี้ระหว่างที่การดูสาวงามกับการที่บุรุษคนนั้นเขาจะมาระวังไม่ให้น้ำหก บุรุษคนนั้นจะระวังอะไรบุรุษคนนั้นจะต้องไม่สนใจสาวงามอีกแล้วเพราะว่าถ้าหากเผลอทำน้ำหกคอขาดแน่นอนเลยไอ้ความรักความอะไรในชีวิตความกลัวตายเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยจดจ่อระวัง ท่านบอกว่าให้ระวังให้มีสติระวังตัวเนี่ยเหมือนกับอย่างนั้นเลยแต่อันนี้มันก็คงจะหมายถึงว่าช่วงเวลาที่สติเราดีมันก็จะเหมือนกับมันไม่เผลอไปทางไหนจิตไม่เน็ตลอดไปทางไหนมันเป็นได้แต่อันนี้พระองค์ก็สอนให้ตระหนักแหละว่าสติของเราเนี่ย มันจะต้องระแวดระวังระวังให้จิตเนี่ยมันไม่เผลอเพลนไปทางไหนไม่ให้มันเล็ดลอดไปทางไหนก็คือให้จิตเนี่ยมันอยู่กับตัวเรานี้แหละแต่ทีนี้เป้าหมายก็คือให้จิตเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เราอยากให้จิตอยู่ที่เราต้องการถ้าสติดีมันก็จะควบคุมจิต ให้อยู่ได้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการมีงานนะเรามีหน้าที่การงานเราเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ต่างๆมากเราก็ใช้จิตในการทําการทํางานมากจิตของเรามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกมากถ้าสติเรายังอ่อนสติเรายังน้อยอยู่ ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเร็วมันเร็วกว่าสติมันก็ต้องมีเผลอไปบ้างจิตเล็ดลอดไปบ้างอันนี้ให้เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตคนเราไม่ว่าจิตใครก็ตามมันมีความรวดเร็วถ้าสติเราอ่อนมันก็ควบคุมจิตไม่ทัน จิตก็เผลอไปจิตก็เล่นลอดไปแต่ถ้าหากว่าสติของเราเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นสตินี้ก็จะควบคุมจิตได้ดีขึ้นจิตก็อยู่กับตัวเราได้นานขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการได้นานขึ้นถ้าจิตมันอยู่กับอารมณ์เดียวนานนานเขาเรียกว่าเอกคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวนานๆานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานนานนี้ เขาเรียกว่าเป็นตัวสมาธิเพราะฉะนั้นตัวที่วัดให้เรารู้ว่ามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็คืออาการที่จิตของเราสามารถอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆา น, า น, นานขึ้น เ, เรื่อยๆตัวที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆก็คือตัวสตินั่นเอง เพราะนั้นสติเนี่ยมันมีหน้าที่ควบคุมจิตรักษาจิตและเวดระวังจิตคุ้มครองจิตแต่ถ้าสติยังไม่มีกําลังเนี่ยสติยังไม่มีปัญญาสติยังเป็นตัวที่ควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์เท่านั้นเองควบคุมจิตให้ตามอารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์จึงเรียกว่าเป็นสมรดกรรมฐานเพราะมันยังไม่รู้อะไร แต่ถ้าหาวสติมันมีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็เริ่มสังเกตเกิดความรู้ขึ้นมาด้วยว่าในจิตเราสงบแล้วเออจิตเรารู้สึกสบายขึ้นแล้วจิตของเราเนี่ยมันเบิกบานมันอิ่มใจมันสงบสงัดภายในจิตใจมีความสุขใจจิตเรามันสงบ มันเป็นสมาธิะมันอยู่กับอารมณ์เดียวนานขึ้นคือมันมารู้ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้มากขึ้นแล้วมันก็พยายามระแวดระวังจิตไม่อยากให้จิตเนเล่นหลอดไปทางไหนคือมันเริ่มเห็นประโยชน์พรถ้าจิตอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขความสบายมันรู้สึกว่ามันดีตัวที่มันไปรู้เพิ่มขึ้นนี้ เขาเรียกว่าตัวสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรู้ว่าต้องระวังจิตให้อยู่ภายในกายเราภายในจิตเราไม่ให้มันได้ลอดไปทางไหนเมื่อมีสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวสมาธิมันก็จะรู้ได้กว้างแต่ถ้าหาว่าสติตามอารมณ์อยู่เนี่ย อันนี้มันจะรูแ้แคบๆแต่มันจะยั่งเข้าไปลึกๆแล้วเป็นนิ่งเฉยแช่อยู่ตรงนี้ซึ่งเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือบางทีก็แบ่งตามอาการของจิตอะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุยฌานแต่เราจะไม่พูดละเอียดเพราะว่าเราต้องการที่จะ มีสติสัมปชัญญะคือมารู้กายรู้จิตเราหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะแล้วบางทีพระพุทธเจ้าก็จะสอนสาวกของพระองค์บ่อยๆบางคนก็ไปบวชไปบวชแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้า พอถ้าอยากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าขอพระองค์ให้อวอัตยย่อๆแล้วก็จะปรีกตัวออกไปอยู่ตามลำพังไม่ประมาทมีความเพียรใจเด็ดเดียวตั้งใจประพฤติปฏิบัติตลอดชีวิตจะให้ทำยังไงพระพุทธเจ้าก็จะให้มีสติ ให้สติเนี่ยรักษาจิตให้อยู่ภายในกายเราภายในจิตเราบางทีท่านก็สอนว่าให้มีสติพิจารณากายในกายพินาเวทนาในเวทนาพินาจิตในจิตพินาธรรในธรรมให้มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไลในโลกนี้เสียให้ได้ก็คือสติปัฏฐานสีนั่นแหละก็คือให้จิตอยู่ภายในกายภายในจิตเรา บางทีท่านก็สอนแล้วแต่ว่าใครอัธยาศัยอย่างไรให้มีสติเป็นเครื่องกัน้นแล้วก็ให้มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนก็คือมีสมถะแล้วก็มีวิปัสสนานั่นแหละก็คือมีสติรักษาจิตจนจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้ความจริงได้ เมื่อรู้ความจริงแล้วจิตจะคลายออกจิตจะปล่อยจะวางได้เองที่จริงก็เป้าหมายก็คือให้จิตมันรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางแต่การสอนก็สอนตามอัธยาศัยอย่างท่านปุณณนะไปหาพระพุทธเจ้าบวชแล้วก็มีจิตใจอยากปฏิบัติธรรมคือในสมัยโน่น การสนใจเรื่องจิตเนี่ยมันมีมากความต้องการที่จะให้จิตเนี่ยมันหลุดพ้นออกไปจากความทุกเนี่ยมันจเจริญมากมันลุ่งเรืองมากคนที่มาบวชในธรรมบินัยของพระพุทธเจ้ามีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วอยากจะพ้นทุกเพราะฉะนั้นเวลาไปหาพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็ขอฝังโอวาทเยอะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้า พ, พุทธเจ้าขอประทานวโรกาลขอพระองค์ประทานคำสอนย่อยๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อข้าพุทธเจ้าเข้าใจแล้วก็จะหลีกออกไปอยู่เพียงผู้เดียวตามลำพังหลีกออกจากหมู่ตามลำพังไม่ประมาทมีความเพียรจิตใจเด็ดเดียวประพฤติตามโอวาทของพระองค์ ตลอดชีวิตนี่ท่านปุณณะนี่พระเจ้าสอนว่าธรรมชาติของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันมีความเย้ายวนใจมันมีรสชาติที่อร่อยชวนให้จิตใจของเราเนี่ยลุ่มหลงมีความกำหนัดยินดี ถ้าหากว่าเธอคุ้นคิดถึงมันบ่อยๆพูดถึงมันบ่อยๆส่งใจไปในเรื่องเหล่านี้บ่อยๆคือทั้งคิดถึงบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆส่งใจไปเรื่องนี้บ่อยๆสิ่งเหล่านี้ก็จะมาดำลงอยู่ในจิตของเธอเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาดำลงอยู่ในจิตของเธอ จิตของเธอก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้วนเวียนอยู่ในจิตสิ่งเหล่านี้มามีน้ำหนักอยู่ในจิตมันก็จะทำให้จิตใจเนี่ยมีปัญหามีความทุกข์มีความทรมานทำให้เกิดภพชาติเกิดความทุกข์โสกปริเทวาทุกขโทมานัสสุปายาสะ อันนี้ท่านสอนท่านสอนให้ระวังเวลาเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือมีสติตรงที่ผัดสักเวลาจิตของคนเรามันกระทบอารมณ์เนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่จิตมีผลต่อจิตถ้าสติของเราอ่อนบางทีก็ไม่ทันไม่ทันจิตเนี่ย ทำมาไปคิดถึงเรื่องอะไรบ่อยๆนั่นแหละคือมันมีอุปทานในเรื่องนั้นมันคิดบ่อย ๆ, ๆอยากได้บ่อย ๆ, ๆนี่คือมีอุปทานแล้วเรื่องนั้นก็จะมาดำลงอยู่ในจิตมาตั้งอยู่ในจิตเข้ามาอยู่ในจิตเขาเรียวมีภพก็เกิดเป็นภพขึ้นมาแล้วก็จะคิดนึกปรุงแต่งมีน้ำหนักขึ้นในจิตเขาเรียวมีชาต เมื่อมีชาติก็ต้องมีทุกข์มีชาติมีชลาก่อนมันจะดับไปมันก็นรอเวลาจะดับนี่กเรียกว่าชลาก่อนมันจะดับมันก็ต้องมีนี่หละมีความทุกข์ทรมานท่านเรียกว่าโสกะปริเทวะทุกขะโทมานัสสาวุปายาศะเนี่ยที่มาของทุกข์ก็คือการที่สติของเรา ไม่ทันจิตใจเวลามีอารมณ์มากระทบเวลาอารมณ์มากระทบแล้วมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นสบายบางไม่สบายบางสบายไม่สบายอันที่จริงตรงนี้มันเป็นผลของกรรมของเราในอดีตแค่กระทบเฉยๆมันก็เกิดเวทนาแล้วถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็ดับไป เราไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมมันก็ดับไปใช้กรรมไปเลยเพราะนั้นกรรมเนี่ยใช้ได้เพราะนั้นเวลาพูดในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกรรมที่ว่าทำแล้วให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราพูดถึงการสิ้นกรรมการหมดกรรมก็คือตามเห็นจิตของเรามันมีอาการอะไรเกิดขึ้น แม้แต่มันกระทบอารมณ์แล้วมันมีความคิดบ่อยๆลักษณะนี้ก็เป็นความเคยชินของจิตเหมือนกันมันเป็นอาการของจิตเท่านั้นเองถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นเราเมื่อไหร่นะมันจะเกิดดับของมันไปตามธรรมชาติถ้าสติของเราไม่ทนันมันก็จะมีความรู้สึกเป็นเราพอมันเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ถูกกระทา มันก็มีความคิดนึกปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในจิตอีกแล้วแล้วมันก็จะบีบคั้นจิตจิตก็มีความทุกข์มีความทรมานแต่บางทีถ้ า, าว่าจิตของเราเนี่ยมันมีเรื่องอื่นกุ้มลุมมากๆอ่ะแม้มว่าจิตเรามันยังหยาบอยู่เรื่องลูปรดกินเสียงสัมผัสเรื่องอะไรต่ออะไรอารมณ์ข้างนอกมันกุ้มลุมอยู่ก็ยังตามไม่ทัน พวกอารมณ์ที่มันกระทบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันรอเวลาที่จะให้จิตของเราละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันจึงจะเข้าไปเห็นหลายละเอียดภายในจิตก็มีเหมือนกันเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องเจริญสติอยู่ระดับไหนก็ตามมีสติควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของสติ ถ้าหากว่าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าจิตนี่อยู่ในอำนาจของเราเลยนะเราอยากให้จิตของเรามันอยู่ยังไงอ่ะเราสามารถควบคุมจิตให้ดูอะไรก็ได้ให้มันสอดส่องดูอะไรก็ได้เราควบคุมจิตได้แสดงว่าสติมีกำลังมากพอ เราอยากให้มันดูลมก็ได้เฝ้าดูลมแม่มันไปไหนเลยดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมก็ได้หมายว่าถ้าหากว่าสมาธิเราเนี่ยมันมีกำลังก็คือเราสามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการได้ใช้จิตให้ทำงานตามที่เราต้องการได้ โดยที่จิตเนี่ยไม่สามารถเล็ดลอดไปทางอื่นได้เพราะฉะนั้นการที่จิตของเราเนี่ยมันเผลอไปทางโน้นเผลอไปทางนี้ก็คือสติของเรายังอ่อนเราต้องเจริญสติให้มากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเราต้องรู้เหตุมันทุกคนที่มาปฏิบัติก็อยากมีผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นอยากให้จิตเนี่ย มันมีความรู้ความเข้าใจมีสติมีปัญญาไม่อยากให้จิตเนี่ยไปหลงยึดติดข่องอะไรเพราะถ้ามันยึดมันติดมันข่องแล้วอ่ะมันเอามานึกคิดปรุงแต่งแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากมีความทุกข์อยากให้ความทุกข์หมดไปจากใจเพราะนั้นบางทีมันจึงอดไม่ได้เวลามาปฏิบัติ มันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้มีเยอะแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาในเวลาปฏิบัติคือไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นตัวเล่งมันไปเล่งไปบีบคั้นตัวเองบีบคั้นจิตใจแล้วก็บีบคั้นร่างกายสภาวะธรรมมันก็เลยเหมือนไม่มีความลงตัวเกิดความ ไม่สบายในการปฏิบัติเพราะนั้นหลักเวลาปฏิบัติเนี่ยจึงวางใจให้ถูกต้องเป็นหลักสำคัญมากก็คือสร้างฉันทะ a ผู้เจ้าบอกงี้นะให้สร้างชันทะ a คือพอใจที่แล้ได้ปฏิบัติแล้วก็ให้ระดมความเพียรระดมความเพียรปลุกเร้าให้จิตใจมีความเพียรข้างในเนี่ยให้มันทำงานให้มันจดจอ่อ มาให้จิตเล่นลอยไปทางไหนเนี่ยแล้วดมความเพียรเพียรให้มากเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเพียรแล้วก็ล้มไปแล้วก็ปล่อยสบายสบา ย, บายไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียรให้มากแล้วก็เพียรให้มากขึ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เข้าใจด้วยว่าการปฏิบัตินี้เพื่อประคองจิตเนี่ย ให้รู้ความจริงต้องได้รู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกี่ยวกับกายเราจิตเรานะหรือเกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมนี่ละเกี่ยวขัขันห้าของเราเนี่ยรู้ความจริงจนจิตตั้งมั่นแล้วก็รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนี่ถ้าหาว่าในเรื่องของความเพียรเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยหลักของพพุทธเจ้าก็จะมีแบบนี้ ให้มีความพอใจสร้างชันทะขึ้นมาพอใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนของผู้ที่หมดสินกิเลสจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็เคยพูดกับหลายคนนะว่าเฮ้ยเราเนี่ยเดีย๋ยวนี้โลกของเราเนี่ย ปฏิบัติตามคำสอนของคนมีกิเลสมาเยอะแนละ้วคือเชื่อเวลาคนมีกิเลสพูดกันนี่เชื่อแล้วก็ทำตามกันแล้วก็เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีความว้าวุ่นไม่เป็นไปเพื่อออกจากกองทุกข์แต่ก็มีประโยชน์อยู่ในแง่ที่เอามาประกอบอาชีพ ให้ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้แต่ว่าบางทีมันเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหามันไม่ออกจากกองทุกข์คราวนี้เราลองมาปฏิบัติตามคำสอนของผู้หมดสินกิเลสไม่มีกิเลสมีพระทัยสตร์บริสุทธิ์แล้วตัดสรู้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าประทานคำสอนเอาไว้นี้ ด้วยสัพพัญญุตาญาณด้วยสัมมาสัมโพธิญาณรู้ด้วยญาณทั้งหมดพุทธบารมีทั้งนั้นแล้วไม่มีผิดพลาดเลยจริงทั้งหมดถ้าเรายอมรับอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระเจ้าจะตัดอะไรพูดอะไรมันเหมือนกับมันเข้าไปอยู่ในใจมันเ ช, เชื่อเชื่อเต็มหัวใจอะเหมือนกับว่าไม่ปฏิบัติตามไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดท่านรู้ด้วยญาณด้วยสัมมาสัมโพธิญาณด้วยสัพพัญยุตายญาณจริงๆ ไม่จริงไม่มีเนี่ยเพราะนั้นพอพู้เจ้าตัดอะไรมาเนี่ยพอจิตใจของเรามันยอมรับมันก็พร้อมที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติตามพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เช่นเดียวกันอย่างที่มองเห็นง่ายๆก็คือว่าถ้าว่าเราปฏิบัติตามคนที่มีกิเลสเนี่ย มันไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าผู้หมดสิ้นอาสวะกิเลสเนี่ยความทุกข์เราต้องน้อยลงไปแน่ แ, นแล้วก็หมดทุกข์ได้แน่เพราะพระพุทธเจ้าก็หมดทุกข์จากพระทัยของพระองค์ถ้าเราแน่ใจอย่างนี้เราก็ไม่อยากมีทุกข์กันทั้งนั้นนะเราก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามฐานะตามสภาพของเรานี่ละเรายังอยู่ในฐานะไหนเราไม่ไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้มาอยู่ในวดัดเรายังอยู่กับบ้านกับเรือนก็ให้ปฏิบัติตามฐานะของเราให้เต็มที่ซึ่งพระพุทธเจ้าก็วางคําสอนเอาไว้สําหรับผู้คลองเรือนในสมัยก่อนผู้เยาก็สอนจาลิกไปสอนประชาชน ถ้ามีพระท่านก็สอนอีกแบบหนึง่งคือท่านท่านมีเวลามากในสสำรวมในพระปาติโมกมีความประพฤติที่เหมาะสมและก็มีการเกี่ยวข้องที่ถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจให้เห็นโทษภัย แม้เรื่องเล็กๆน้นอยๆคือทําอะไรแล้วถ้ามันมีตัวตนก่อเกิดขึ้นในจิตสร้างปัญหาขึ้นในจิตไม่สบายขึ้นในจิตเราเนี่ยให้เห็นภัยว่าทําไปแล้วเนี่ยมันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อใจตัวเองก่อนแล้วแล้วไม่ให้ฝืนทำนี่ท่านถึงว่าให้สมาทานสิกขาบทคือให้ปฏิบัติตามสิกขาบทของพระพุทธเจ้า ก็คือมีศีลนั่นแหละของเราก็ต้องเอาศีลอะไรเดียวศีขาบทห้าแปดเอาแล้วแต่มันพอดีอยังไงอย่างน้อยก็ต้องศีลห้ากันนะไม่งั้นมันก็จะมาลบกวนจิตใจของเราเพราะการกระทำของเรามไม่ค่อยถูกต้องทางกายก็เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่น ำพูดมันก็ไปทำร้ายทำลายคนอื่นมันก็ไม่สบา ย, ยาใจเราก็เอาตามความเหมาะสมตามฐานะตามสภาพของเราแต่ภายในใจเนี่ยหันมันมีหลักของพุเจยาอยู่ในใจพอใจที่จะปฏิบัติปุกระดมความเพียรแล้วก็เพียรให้มากขึ้นไม่ให้มันล้มไป แล้วก็รู้เป้าหมายด้วยเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้ความจริงรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงจนจิตตั้งมัน่นแล้วมันก็รู้ความจริงได้เป็นปัญญาปัญญาญาณเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแนวโลกุตระจนกระทั่งเป็น ความเห็นที่เป็นโลกุตระจริงๆเป็นตัวปัญญาที่แท้จริงทีนี้เราก็มาดูสิปัจจุบันจิตเราอยู่ยังไงไอเราเข้าใจแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าสอนอย่างนี้วิธีปฏิบัติเราก็รู้แล้ววางใจก็รู้หมดแล้วก็คือมีความเพียรมีสติซ้ำไปชัญนยะละความยินดียินไลในโลกนี้เสียได้เรารู้แล้วเราก็เข้ามาดูทีนี้จิตของแต่ละคนเนี่ย มันก็จะไม่เท่ากันอ่ะบางคนก็มีสติคุมจิตอยู่บางทีจิตก็คิดไปรู้ทันมันก็อยู่มันก็กลับมาเนี่บางคนก็อยู่ก็อารมณ์เดียวนานขึ้นแล้วก็มีความลึกซึ้งมีความแน่วแน่จิตใจก็มีความสุขความสบายมากขึ้นบางทีมีความลึกซึ้งเข้าไปในอารมณ์เดียว แต่จิตเนี่ยวางอุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์เนี่ยราบเรียบเฉยอยู่เนี่ยไม่เรียกว่าติดนะเราก็มีสติรู้อยู่เนี่ยคนกลัวติดสงบติดสมถะแต่ถ้ารู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ติดมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเท่านั้นเองมันเป็นธรรมดา ในเมื่อพาะวะทางจิตใจของเราเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนเราไม่สร้างความกลัวขึ้นมาขอให้เรามีสติรู้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็รู้แล้วว่าจิตเราอยู่อย่างนี้ผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เบางคนก็มีสติคุมจิตจิตแน่วแน่แต่อะไรเกิดขึ้นก็เริ่มรู้นะ เขาเรียมีสติสัมปชัญญะหรือมีสติปัญญาปัญญายัง อ, อ่อนอ่อนอยู่มันก็รู้ยังไม่ค่อยชัดหรอกรู้ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อันไหนชัดเจนก็พอรู้แต่มันไม่รู้ทั้งหมดมันรู้เฉพาะอารมณ์ที่ชัดๆัดอันไหนมันแรงแรงมาจิตมันก็ไปเพ่งเลงตรงนั้นเราก็เลยรู้รู้ตรงนั้น ถ้ามันมีความรู้สึกขึ้นมามันก็รู้ด้วยรู้ไปด้วยกันได้แต่มันจะเห็นว่าอันหนึ่งชัดกว่าอีกอันหนึ่งเข้มก็รู้ในจิตเนี่ยบางทีเนี่ยขณะที่มันดูอารมณ์ที่ชัดๆอยู่มันมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาเนี่ยมันรู้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือจิตมันตั้งมั่นสติมันมีกําลัง มันควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้หมดจดจิตไม่สามารถเล่นลอยไปทางไหนเลยสตินี้ครอบคุมจิตไว้เลยถ้าสติมีกำลังเต็มที่อย่างเนี้ยสมาธิก็มีกำลังเต็มที่เหมือนกันความเพียรก็เต็มที่นี่แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เห็นหมดอ่ะ เห็นแล้วก็เข้าใจด้วยเห็นแล้วก็เข้าใจอ๋อมันเป็นเองเกิดเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถึงไม่พูดจิตมันก็เห็นเห็นแล้วก็เข้าใจไปอันนี้ก็เรียกปัญญายานหรือวิปัสสนาญาณหรือโลกุตลสมาธิธ เป็นสัมมาทิทฐิแต่เป็นสัมมาทิที่แนวโลกุตระถ้าหาวปะหานกิเลสได้ก็เป็นโลกุตระสัมมาทิทีิแล้วสัมมาสังกปะจิตนี่มันจะโน้มไปในทางเป็นอิสระถ้าจิตมีกำลังอย่างนี้นะมันไม่อยากมีอะไรครอบงำอะ่ะมันอยากเป็นอิสระเลย อ, องค์การที่มันอยากวัละกามลาพยาบาทลาความบีเยนมันเหมือนอย่างอีกขั้นหนึ่ง มันเหมือนเป็นโลกียะไปเหมือนไปขั้นอ่อนๆไปแต่ถ้าหากว่าจิตนี่มีกำลังแล้วเนี่ยโอ้หมันไม่อยากให้มีอะไรครอบงาจิตเลยะเหมือนมันอยากเป็นอิสระเหมือนไม่อยากให้จิตนี่ไปยึดไปติดไปข้องอะไรเลยในความรู้สึกตาลิยมักมีองคแป้นันก็มีกำลังมากขึ้นทีนี้โดยสภาวธรรมถ้าจิตมีกำลังเนี่ยมันก็จะเห็น อย่างที่ว่าเนี้คือเห็นมันเกิดและกระดับของมันน่ะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหาว่ามันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ต้องได้ดูกันนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องการให้จิตมันแน่วแน่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยก็เลยต้องย้าให้จิตดูลงไปตรงนั้นมันจึงแตกต่างกันบางคนก็ดูกายเรียกกายยขัตสติ เอามาดูผมบางขนบางเล็บบางฟันบางหนังนบางพร้อมพอดีกับตัวเองก็ทำได้บางทีก็มีคนมาปฏิบัติที่นี่เด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างบางทีเขาพุโทโธพุโทโธไปพอจิตนิ่งไปแล้วพอจิตไม่มีงานทำเนี่ยจิตเริ่มส่งนอกบางทีความง่วงก็ครอบงำสติไม่มีกำลังแต่พอเอาจิตมาดูผมบ้างหรือว่าดูกระดูกบ้าง โอ้รู้สึกว่ามันอึดแล้วมันก็แน่วแน่แล้วมันก็อยู่กับอารมณ์มันจดจ่อแล้วก็แน่วแน่ดื้ดำฮะมันถูกกระจริดอ่ะเขาก็ทําไปแต่ถ้ามันมีกําลังเมื่อไหร่มันจะแสดงความเปลี่ยนแปลงของมันเองนะมันจะไปสู่จุดเดียวกันเลยนะว่ามันไม่ใช่เราไม่เฉียงเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาติทังมันอย่างนั้นอันเดียวกันหมด มังคนก็ดูลมดูลมไปแต่พอลมละเอียดไปมันก็มาดูจิตบางทีก็ดูเวทนาเนี่ยมันก็มุมมองภายในจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเองบางทีมันก็ไม่ดูลมมีอยู่แต่มันก็มาดูจิตแต่เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยมันก็เป็นธรรมไปมันขึ้นอยู่กับว่าอินทรีย์ของเราหรือผลการปฏิบัติของเรา มันมีกำลังมากน้อยแค่ไหนมุมมองภายในจิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามกำลังของจิตแต่ส่วนใหญ่เวลานั่งไปนล้นก็มีเวทนามันก็หนีไม่ได้ก็ต้องทำความเข้าใจเหมือนกันพอเวทนาเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันบางคนก็ว่าทำยังไงดีมันเจ็บอ่ะ ทนไม่ค่อยได้จิตมันก็อยากขยับจิตมันอยากเลิกแล้วขยับได้ไหมเปลี่ยนนิยบดได้ไหมหรือว่าต้องสู้ต้องอดทนหรือไม่ขยับเลยบางคนก็มีคำถามนะที่จริงเรื่องเวทนาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราอีกเหมือนกันถ้าว่าเราต้องการฝึกความอดทน เราก็ต้องลองสู้ดูก่อนนอกจากว่าร่างกายเราเนี่ยมันวิกลวิการมันนั่งนานไม่ได้เจ็บปวดมากๆ ม, มันเป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้เราก็ผ่อนปลนไปตามความเหมาะสมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเราต้องเอามันมาเป็นหินรับสติปัญญาเลยฝึกความอดทนฝึกจิตให้มีกำลัง ทำให้จิตเนี่ยมันเป็นนักต่อสู้เป็นจิตที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอแล้วก็เป็นโอกาสทำให้จิตมันมีปัญญาด้วยคือมันจะเห็นว่าเออเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่อง์เรามันอยู่ที่ร่างกายมันไม่ใช่จิตเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้ารับรองไว้ว่าในสติปัฏฐานสีเนี่ยเวทนาชัดเจนที่สุดเลย ในความรู้สึกในเวลาเวทนามาเนี่ยมันท้าทายอะตอนที่ปฏิบัติอยู่อตอนนั้นรู้สึกว่าเออปฏิบัติมานานแล้วถอยขึ้นถอยลงอยูอ่ก็เลยตัดสินใจว่าเออแสดงว่ากำลังจิตเราเนี่ยมันไม่มีกำลังไม่มีพลังพอที่มันจะไปสู่มรรคสุขผลได้ก็เลยหาทางให้จิตมีกำลังก็ตั้งใจว่าเราจะนั่ง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้าตามใดที่มันยังยึงยดเวทนาอยู่มันเจ็บมันโวดมันทนไม่ได้ก็แสดงว่ามันยึดเวทนาในเมื่อมันยึดเวทนาก็แสดงว่ามันยึดร่างกายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเวทนามาเป็นที่รับสติปัญญาก็เลยทดลองใช้วิธีนี้พอเวทนามาเท่านั้นแหละโอ้โหเขาวนี้มันมีรสชาตินะ จิตมันสอนตัวเองได้อมันก็คือเอาธรรมะของพุทเจ้าแหละมาสอนซวก่อนเวทนาอยู่ที่ร่างกายนะชี้ให้ดูด้วยมันไม่ใช่ของเรานะมันก็เห็นตามไปด้วยแต่ก่อนเนี่ยเห็นแบบอ่อนๆเห็นแบบไม่ชัดเจนนะแต่พอได้สู้กับเวทนาเนี่มันชัดเจนขึ้นมาถึงยังไม่หลุดพ้นยังไม่ได้มักได้ผลแต่ว่าโอ้มันแจ้งอยู่ในจิต เหมือนกับยกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวเองรู้สึกอย่างนั้นเลยตอนนั้นก็นั่งขัดสมาธิเพชด้วยนะคือกะวอนต้องได้สู้กันจริงๆพอจิตมันมีปัญญามันได้ต่อสู้อย่างนี้โอ้โหมันมีรสชาติมากรู้สึกว่าจิตใจมีกำลังแล้วเวลาเวทนามาเมื่อไหรเนี่ยมันมีความท้าทายเหมือนกับว่ามาแล้ว อมาแล้วเครื่องทดสอบมาแล้วไหนว่าไม่ใช่ของเราพอมันปล่อยได้เท่านั้นแหละรู้ทางว่าอ๋อมันต้องปล่อยอย่างนี้พอดูไปดูไปดูไปเนี่ยแทนที่มันจะไปดูเวทนามันมาดูจิตเนี่ยพอมาดูจิตมันก็สบายเวทนาก็อยู่ของมันไปอ่ะมันไม่เข้ามาในจิตเลยอ่ะจิตเรามีกําลังเหนือเวทนาพอมันอริยมรตมีกําลัง มันก็เห็นเนี่ยกายวทถีทาจิตทำมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราขาน่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราวิีนาไม่ใช่เราียกวาวางไปมันก็เบาในจิตใจของเราบางทีกำลังมันยังไม่ถึงก็ชัดระดับหนึ่งมันยังไม่เป็นมรรคเป็นผลก็มีแต่ถ้าหาว่ามันมันชัดแจ้งอันนี้ไม่สงสัยอยู่ในจิต เหมือนเหมือนจิตที่ตัวเองเห็นเหมือนมันไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเหมือนมิติหนึ่งของจิตนะไม่มีอะไรเข้าไปถึงเลยพวกความทุกข์พวกปัญหาพวกเรื่องราวหมดไปเลยชั่วขณะหนึ่งทีนี้ออกมามันก็เบามันก็เห็นทางเพราะนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติส่วนผลของการปฏิบัติแล้วแต่สภาวธรรม ผลลัพธ์ของพรุทธานั่นแหละมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้เวลาเพียรก็มีความพอใจปฏิบัติและดมความเพียรปลุกเล้าจิตให้มีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนเพื่อประคองจิตให้รู้ความจริงจนจิตตั้งมั่นเห็นความจริงเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง อริยมรรคมีองค์แปดมีกําลังก็ประหารกิเลสได้เนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรอย่างนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปมันก็มรรคผลก็เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็ภารันมันก็อยู่ในจิตนี่แหละเวลาพูดออกมามันก็พูดเรื่องสภาวะภายในจิตมันก็เข้าใจว่าอ๋อคนนี้เขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาอยู่ระดับนี้ อยู่ในขั้นที่กาลังเจริญสติอยู่คนนี้มีสติสัมปะชัญญะขึ้นมาแล้วกำลังทำจิตให้ตั้งมั่นพอคนนี้มีปัญญาแล้วผ่านอริยมรรคแล้วปล่อยวางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วเข้ามาหาจิตแล้วถ้าหากว่าเออ มันลงตัวเมื่อไหร่เห็นมาจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึง่งนี่แหละก็คือหมดเรื่องก็คือไม่ยึดอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปที่มันปล่อยวางลูกลดกิ่เสียงสะพัดได้ก็คือวางกายได้พอลูกรดกิ่เสียงสะัดมันเอามาเพื่อให้กายมีความสุขเพื่อให้ตัวเองมีความสุขพอมันเข้าใจแล้วจิตมันก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยว ก็คือให้มันพอดีกับไอ้ร่างกายพอดีกับธรรมะคือธรรมชาติมันก็มาระวังตัวตนที่มีอยู่ในจิตเนะี่ยมันก็รู้กันนะ่ะเข้าใจกันอ๋อแต่จะช้าหรือเร็วนี่อันนี้มันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องผลของการปฏิบัติเป็นเรื่องของสภาวะธรรมถ้าพพุทธเจ้ายังอยู่เออเพระองค์พยากรณ์ได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครปร ะ, ะกรได้เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอาศัยให้กำลังใจกันไปผู้ที่ผ่านไปก่อนเป็นกัลยาณมิตรก็ให้กำลังใจรู้ว่าเออมาถึงนี่แล้วปฏิบัติไปนมีโอกาสแล้วนะเอาต่อไปก็ให้ทางใจปฏิบัตินะให้ดูจิตใจตัวเองอเตรียมตัวนะ ดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะทุกคนก็ได้มาวัดได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไกลขนาดไหนเราก็ดันโดนมานี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจให้เห็นถึงความเพียรความพยายาม ความมุ่งมั่นที่อยากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสแสวงหาสถานที่มาสแสวงหาธรรมะแล้วเราก็ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มา พ, พุทธปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รวบรวมกำลังสติของเราเป็นโอกาสสุดท้าย เข้ามาสังเกตดูผลของการปฏิบัติในวันนี้เมื่อเรามาวัดแล้วเรามาอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่สงบสงัดมาอยู่กับธรรมชาติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงพาสาวกของพระองค์บำเพ็ญสมณธรรมวกเคยไปที่เขาขี่ชะกูดโอ้เดินขึ้นไปแลลึกถึง เนี่ยพระพุทธเจ้าโอ้โหทันอดทนนะไม่ได้มีรถยนต์ต้องเดินทั้งนั้นเลยแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแต่ว่าอากาศ ด, ดีมากสงบสงดัดขึ้นไปแล้วก็เบิกบานใจมันเป็นสถานที่มันห่างไกลจากสิ่เยาวยวน สิ่งลบกวนทางกายทางจิตใจเรามันก็เลยทำให้จิตใจมันเกิดความสงบสงัดเกิดความวิเวกเป็นสมาธิได้ง่ายมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายเราก็เลยต้องมาสังเกตดูว่าวันนี้ผลของการปฏิบัติเราเป็นยังไงบ้างให้เราพอใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ขนาดไหนเราก็พอใจแล้วผลของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะมันก็ไม่แน่นอนบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีเพราะนั้นเราไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เราพอใจแต่ละครั้งแต่ครั้งว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วได้ผลยังไงก็เอา ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่เป็นไรถ้าเรามีสติรู้อยู่มีปัญญารักษาจิตของเราไม่ให้หลงเย็นดีเย็นร้ายกับมันมันก็ถูกทางแล้วแล้วก็ให้สอนตัวเองด้วยเวลาทำอะไรอยู่ก็จะพยายามมีสติถือเป็นการปฏิบัติธรรมให้สตินี่มันครอบคุมทุกกิจกรรมเลย ก็สำรวมระวังเวลาที่มันกระทบอารมณ์ด้วยในสำรวมอินทรีย์เวลามันกระทบอารมณ์ให้ทันมันถ้าไม่ทัทนทันตอนไหนก็เอาตอนนั้นละแล้วก็ต้องมีการจำกัดความอยากความต้องการด้วยระมัดระวังการบริโภคอาหารเพราะอาหารเนี่ยมันทับร่างกายมากการเมาอาหารเนี่ยมันมีผลต่อการปฏิบัติมาก ถ้าหากว่าเราควบคุมอาหารให้มันไม่ทับร่างกายให้มันเบากว่าปกติเราจะปฏิบัติธรรมได้สะดวกขึ้นถ้าเราเคยรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆมันง่วงมันซึมมันเมามันมึนมันงงเนี่ยถ้าเราผ่อนลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นปฏิบัติธรรมก็โล่งโปร่ง อันนี้ก็ต้องเอามาปฏิบัติด้วยที่พระเจ้าสอนไว้มีประโยชน์หมดเลยแล้วก็อยากให้รู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัยสแล้วก็ให้มันมีสติต่อเนื่องเพื่อให้จิตมันตื่นมีสติทุกเรียบหมดให้สติมันตื่นตัวละนิวรณ์ให้ไดนะ้เวลาปฏิบัติมันก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันนะมีพวกนิวรณ์อะไรอย่างนี้ เราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้จิตเรามีกำลังเหนือมันแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมามันก็ต้องรู้ความจริงจนได้ถ้าเราเดินถูกทางแล้วทีนีผลของการปฏิบัติมันก็จะเป็นไปเองจากนั้นก็ย้ำกับตัวเองข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวตาสงสารด้วยเถิดแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญด้วยและใครมาทีหลังอ่ะมีไหมมาทีหลังก็ได้ที่พักแล้วใช่ไหมได้นะมียังไงก็พักไปหน่ะนะเออถใจมันยอมรับใจมัน เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจเราก็ใช้ได้แล้วของเราก็เรื่องที่อยู่อาศัยยังไม่พร้อมเท่าไหร่เพราะแต่ก่อนมันยังไม่ค่อยมีคนมาปฏิบัติหรอกแล้วคนเราก็ยังน้อยอยู่ด้วยวลา ม, มาแล้วเราก็กลัวว่ามันจะทุกข์ยากลำบากผัวไม่มีใครดูแลดูแลกันไม่ค่อยถัวถึงก็เลยตามมีตามได้อีกอย่างหนึ่งก็เอาแบบธรรมชาตินี่แหละมันจะได้มาแล้วก็ จะได้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่ยังไงก็พอได้ออขออย่างเดียวให้ใจมันสบายให้มันเข้าไปหาใจเลยไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันมากถ้าอยู่บ้านเราก็อีกอย่างหนึ่งอะพอเราอยู่ในฐานะที่เราจะเอาตามที่เราต้องการได้ถ้าม่อย่างนี้ก็มียังไงก็อยู่กันไปเน้นจิตใจกันเลวกันให้มันจิตใจมันมันมีธรรมะ เนี่ยตอนไปบวชก็โอ้โหมันฝึกอีกแบบหนึ่งนะที่เราเรียนในโรงเรียนอะ่ะมันไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้นะมันฝึกแบบที่ว่ามีวินัยมีข้อวัดปฏิบัติเนี่ยถูพื้นเนี่ยงานที่เราไม่ค่อยได้ทําอ่ะยิ่งไปทํางานนะว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเดินไปไหนนักเรียนก็เขารบคํานับมันก็ดูยืดๆหน่อยนะงานการก็ดูเป็นข้าราชการนัง่งโต๊ะนั่งอะไรอะ่ะ ทีนี้พอมาบวชเนี่ยโอ้โหล้างส้วมประจําเลยทั้งส้วมพระส้วมโยมเอาหมดเลยบางทีแปรงขัดไม่ถึงนะมือล้วงเลยอ่มันก็ไปจําเอาเอ า, เอาไอไอใครพูดไว้ก็ไม่รู้นะว่าอยู่อย่างต่ําให้กระทาอย่างสูงเลยเงี้นนะงานต่ําก็ช่างแต่ให้จิตมันสูงโอ้ยิ่งเอาใหญ่เลยทีนี้อ่ขัดลงไปหิวน้ําทำหมดละขาดพื้นถูพื้นอ่า เช็ดเท้าคือมันมีแต่งานประเภทแบบเนี้ไอ ง, งานมีเกียรติไม่มีแต่ว่ามันได้ฝึกฝนตัวเองเป็นงานบริการงานปัดกวาดเช็ดถูตรงนั้นตรงเนี้มันื้ทําให้ที่อยู่อาศัยเรามันสะอาดสะอ้านมันน่าอยู่แต่มันก็ได้ฝึกตัวเองนีมีความสามัคคีกันมีความเห็นใจกันมีความเข้าใจกันเนีย่ยมันก็ได้ปรับจิตเรา ปรับจิตได้แล้วง่ายการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่การปรับจิตนะพระพุทธเจ้าเน้นแก่ที่จิตนะถ้าเป็นข้างนอกท้างโลกเขานี่แก้พฤติกรรมนะบังคับออกกฎหมายบังคับพฤติกรรมแต่จิตมันไม่ยอมผมไม่เอานะถ้าจิตยอมแล้วเนี่ยโอ้ยตอนหน้ารับหลังก็ทำพร้อมจะทำมันต้องแก้ที่จิตแก้ที่ความเห็นการยอมรับ อาวันนี้ก็พอเจนินะนามทัสษาพ ะ, ะวะโทขอนมแบบพระผู้มีพระภาพเจ้าพระองค์นั้นอรหโทซึ่งเป็นผู้กอยจากิเลธสำมาสัมพุทธักษา สรู้จักใจด้วอ